و ق َ ا ل ُ و ا يَا وَيْلًا هَذَا يَوْمُ ا ل ْ ق َ ص ْ ر م ا ل َّ ذ ي ك ُ ن ت ُ م ْ ب ِ ه ت ك ْ س ب و ن َ يَوْمَ ا ل ْ ق َ ص ر ِ الَّذِي ك ُ ن ت ُ م ت ُ م ُْ و ن َ สุร و َนนั่งวัชร์ ر ا ط ا ل ج ح ي و ق ف و ه إ م س و ن وقفوه إنهم مسؤولون. بسم ا ل َ ه و أ ق ب َ بعضهم على بعض ي ت س َ ل و ن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ้ ن ف س ن ا ومن سيئات ا ห์มิน ا ุรุ ه د า الله ินาและมินไซเอต ل อา ا ์นาไม่เห็นดีลลาห์ฟ้า ا ล ل มุสลิลและไม่ดุลิลฟ้าและฮา ا عبده ورسوله اللهم ن ب ك أ ص ب ح ن ا و ب ك أ م س ي ن ا و ب ك نحيا و ب ك نموت و إ ل ي ك ل نشور أعوذ بكلمات الله ا ل ا ما ت م ن ش ر ما ق ل ب بسم الله الذي لا يدمر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء فهو ا ل سميع عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد رسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والسوء ا ل ك ب ر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصري، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورب نفسه وزن ة ع ر ش ه و م د د كلماته ي ح ي يقيوم. ด้วยร ك กมรดิ ك าสักยิ้ว์อัลสล ل ا ์ล ل ชั่นิ ن ุลลู ل ะลาต์คิลมีอีล ل เนฟซีท ل ชวะตาอ س ยน์ฮัสบิอัลลอฮฺกันยามัลวะ ل ิลซุนนพี่น้องที่ร่วมลมาดซุบฮฺซุบไห์เลฟยารที่มัสยิดอัลวาลิสุนนะทุกท่านและพี่น้องที่ติดตาม รายการตับเตอร์อูอุรานทคือนั่งอยู่ที่บ้านของท่านนับอัลฮัมดุลิลลเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆกา ร, รนำเสนอต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะน้องยิ่งา ร, รนำเสนอต่ออัลลอฮ์มากเท่าไหร่ความดีมันส่งอยู่กับตัวเราเองทำให้หัวใจสงบไม่เครียดแล้วก็สติปัญญาของเราโล่ง คำดุลิลลาห์นผลการที่เรานึกถึงอัลลอฮ์และภาษาที่ใช้ก็พยายามเอามาจากที่ท่านนบีแนะนาเอาไว้เช่นสุบฮานัลลอฮ์ว่าเป็นร้อยเป็นพันอัลคำดุลิลลาห์ลาอิลล่าอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบะร์อบฮานัลมลิกินคุดุสอัสกาฟุลลอฮฺละฮาละวะลาคูวะเตอิลลาบิลลาห์อัลลอฮอักบร ทมุกตอนนี้เจ็ดแปดประโยคนี้นะนี่นบีเอามาจากคัภร์อ่านทั้งหมดแล้วก็มาแนะนำคนมินทั่วโลกอะ่ะให้พยายามนึกถึงอัลลอดด์โดยใช้ภาษานี้เนี่ยมันเบาลิ้นแล้วก็หนักที่ต่ช่างสิเราได้ยินสมังสมํงเสมอเลยนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่น้องกับตอนนี้ฝนกำลังตกมองฝนเนี่ยต้องมองเป็นราะมาง มองโรคโควิดกมองเป็นรหกมาอย่ามองแบบคนที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธอิสลามนี่ฝนตกมากๆกระดาดานดาฝนเนี่ยดาร้อนไปหนาวไปเย็นไปก็ดานาบีก็สอนเราเองเวลาเราฝนตกให้มองเป็นรักมาถ้าไม่ต้องการฝนให้ขอมาว่าไง Allahu um ma hawa layna, wala alayna, อ s o m b a y o k นี่คนอาบิสายอนถ้ารู้ว่าฝนจะตกเห็นตั้งข้าวมาเนี่ยให้อ่านอุอาอีก Allah um so อัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอันโออัลลอฮ์ให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยมีประโยชน์ถ้าไม่ไม่ต้องการ Allahu um ma hawa layna, wala alayna นี่เป็นมารยาทของของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะไม่ด่าใครเลยพอตํานีิพอตำหนิอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์ก็เล่าให้นบีฟังดูด้วยบาปของฉันเนี่ยร้อนไปมันก็ดา่าหนาวไปมันก็ดา่าฝนตกมันก็ดา่อาอัลลอฮ์รักๆฉันเป็นเจ้าของเวลาอ่าฉันเป็นผู้ดูแลกำกับทั้งหมดเนี่ยทำไมไม่ขอมาละดา่าละดานะใครเสีย ใครเสียตัวเองเสียหมดอ่ะแต่อัลลอฮฺยังไม่ให้เห็นอ่ะประวิงเวลาเอาไว้ให้กลับเนื้อกลับตัวจะกว่าจะตายน่ะพี่น้องเราต้องนึกเยอะนะพี่น้องนะวันนี้แข็งแรงอยู่ทำไมให้แข็งแรงเราทำความผิดในอดีตมีไหมนึกลอแล้วก็อัสตะกรุ่ลลออัสตะกรุ่ลลออัสตะกรุ่ลลออย่างนี้ไปจบวันนี้มาถึง สุร้ออัศวาตอขอบคุณอัลลอฮ์เองนะที่เราเนี่ยยินหยัดเ้าเรียกว่ามุจฮ า, าดาห์นี่นะเสียสละเวลาของเราความสุขส่วนตัวเวลานี่เวลานอนนะ่นะน้องแต่เราก็ลุกขึ้นมานมาตหฮัจยดเสร็จแล้วก็เดินมาลมาที่มัสยิดกับจามะแล้วก็เอากรอ่านมาทบทวนวันนี้แค่เจ็ดอายะห์เองคืนะ้อง สุราอัรฟตอายาที่ี่นะครับวากัลูยาไวล์นะฮายอุมุดดนว่กลูยาไวล์นะฮะดายอุมุดดินอัลลอัััอ ว่ก็ลู้เขาว่าว้าวเลันละอ่าก็รู้แปลว่าเขาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายกล่าวว่าใครกล่าวใครกล่าวไปน้องเนี่เอาล้อนเล่าเรื่องภาพในวันเตยมาวันที่ทุกคนฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพแล้วส่วนใหญ่นี่เอาเราจะเล่าว่าคนกาเฟ่เนี่ย ไม่เชื่อว่าวันมีวันเกี่ยมาเชื่อไหมส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะ่ะแต่ที่พฟื้นขึ้นมาจริงๆอ่ะเป็นไงอ่ะอ้าวเฮ้ยนี่มันเล่านี่แย่แล้วที่ปฏิเสธตั้งแต่อยู่บนโลกดุลย์ยาเป็น้องน่าสะเก็ดอยู่อย่างนี้นะในการพิจารณาเพราอ่านก็จะเจออย่างนี้คนเนี่ยเวลาฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพจากกูโบเนี่ยนะ พอไปยืนอยู่ตอนนอ่อหน้าอัลลอ์เนี่ยชีวิตบนดุนยาที่ผ่านมาแล้วเลยนะจำหมดเลยจำไม่มีเลยที่จะหลงลืมไม่มีจำละเอียดเลยที่ตอนนี้ทัาท่านจะลืมใช่ไหม <c oughs> ของที่ทำมาแล้วห้าปีสิบปีเนี่ยทัาท่านจะลืมจำแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวไอ้เรื่องชั่วๆนะ่นไม่ได้จำพยานจำเรื่องชั่วดูไอ้เรื่องดีอย่าไปจำ คือ น, น บ, บีก็เตือนน่นะความดีที่นมาตาหฮัจยุทมาเนี่ยไม่ต้องไปจำมันหรอกเอาล็ออยู่ในบัญชีหมดแล้วแต่ไอความชั่วที่เราทำาน่ยน่าจะจำเอาไว้คนนึกถึงความชั่วก็ว่าไงอินนาลิลลาฮิวะอินาาอนาอิลาาลาฮิรอญาะนลอฉันนเหลวจริงๆทำทาไมคนานึำนตัว อินนาลิล <t> ล <une> <an> ัฮิวอิณนาอิลลาฮิรอจุลกาอัตตากุราะลออัตตากุเราะลอัลลอฮ์จ้าผมอยู่ในอินเดียนานๆเนี่ยเวลาเขาจะตบปตูวก็เอามือจับหูกันนะอัตตากุเราะลออัตตากุเราะลออันนั้นไม่ใช่สุนัขนบีนนี้ภาคปฏิบัติคนชาวบ้านทั่วไปอัตตากุเราะลออัตตากุเระลอ ว่าโดูยาวัยลนานาฮาจายาวมุดดีนพวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่าพวกคนกาวเฟรตผู้ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธคุรานปฏิเสธสุนาขนาบีไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นและไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกใบนี้ปฏิเสธตั้งต่ออยู่บนบุญยาพอฟื้นขึ้นมาจริงๆว่าไงนะ ยาวยลานาความวิบัติวัยลุนแปลว่าความวิบัติความวิบัติลานาแก่เราเอยเรานี่พบกับความวิบัติแล้วนี่อัลลอฮ์เล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดความวิบัติแก่เราเอยนี่ภาษาของใครภาษาของคนที่ไม่รู้จัก อ, อัลลอฮ์ ไม่เชื่อวันอาซีรอไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อว่าอัลลอฮฺจะตอบแทนรางวัลให้หลังจากฟื้นขึ้นมาจะให้นรกจะให้สวรรค์กล่าวว่าไงนายาววยละนากูแย่แล้วกูกูฉิบหายแล้วเห็นยังคําว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับเ่อนๆอ่านผมเช็คนะ่ ในสุโรอัมบียะก็มีในยาซีนเนี่ยก็มีในโอฟารก็มีในสุโรกอลัมก็มีในสุโรจุมัตก็มีฟุศลัดก็มีมุตอฟิฟิตคาว่าไวลุนอย่างเดียวนี่แปลว่าความวิบัติความวิบัติจะเกิดกับใครในในโลกอาคีรอนน่ะนี่นอกุรอานอธิบายเลยนะหนึ่ง วิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮฺขณะที่อยู่บนโลก่ดุจยาเห็นังความวิบัติจะเกิดขึ้นพุอาว่าไงครับสวายลุลคอซยาติปูลูบูมบิกริลสุราอัลจุมัดอายาที่ยี่สิความวิบัติจะเกิกงงกดขึ้น ก, กับคนที่หัวใจกระด้านเพราะไม่นึกถึงอัลลอฮฺ การไม่นึกถึงอัลลอ์เนี่ยหัวใจกระดา้างหมดยกเว้นกับเมียตัวเองแล้วนัว้นแหละที่ไม่กระดา้างแต่ไม่แน่นะเวลาทะเลาะกันทุทีเราบุกเพื่อนเสียงแหลกเลยอ่ะเห็นยังอัลลอฮ์ให้เห็นเล็กๆนๆๆๆๆ้อยๆเวลาประชุมก็หูด่าก็นั่นด่าก็นีน่นี่มันอะไรอะ่ะอายุตัแยะหสบคนที่มีอายุเยอะเนี่ยถ้าเป็น คนที่อีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาจะทอมตนมากขึ้นยิ่งอยู่ยิ่งทอมตัวจ่ไหมยิ่งอยู่ยิ่งนอกน้อมยิ่งอยู่ยิ่งให้อภัยคนพอเราฟังกูอ่า น, นอ่านกูอ่านได้ยินว่านาบีว่าอย่างงั้นนบีสอนอย่างงี้แต่ที่คนกาเฟตไม่ใช่อ่ะแต่บางคนนะนะบางคนมาก็ดีนะแต่หลายคนในส่วนใหญ่เนี่ยกระด้างก็ดูไยนาวมาถ้าก่อนรัตอิสลามมัตบน้องตัวเองใช่ไหม มันจบได้ยังไงอ่ะคนน่ะแต่ทําไมทําได้อ่ะลราฆ่าลูกสาวตัวเองพอฆ่ามาแล้วอ่ะพอมารับอิสลามเสียใจกันหมดเลยอัลลอฮ์ฉันไม่น่าจะทําตัวแบบนี้เลย อ, อยาอัลลอฮ์ขอตบบตัวขอลุกกระโทษตนต่ออัลลอฮ์เรื่องที่สองฟวลู ล, ลิลมุสลิฏี่นี่อัลลอฮ์เล่าเองคนมุสริฏมายถึงเอาอัลลอฮ์วย แล้วก็เอาโต๊ะตะเกียดด้วยเอาโต๊ตะรยองด้วยเอาอัซิมัดด้วยเอาหมอดูด้วยเอามาผูกพันกับชีวิตตัวเองจะแต่งงานลูกตัวไปหาหมอดูให้หมอกำหนดเอาวันไหนดีกำหนดเวลาด้วยนะหมอมันก็รู้บา อ, อยู่กับใชต้ตนะหมอว่าต้องวันอาจารย์ก้าหมงเก้านาทีนี่เราก็หาสบายใจเดินออกจากหมอ ตัวเบ้ามาเลยที่นายได้ชืริกนั่นแ่ะแต่เอาล้อมไม่ทำลายให้เห็นน่ะอยู่ไปก่อนอยู่ไปอยู่ไปให้แข็งแรงงวนทองเยอะเอาโลมพี่นอนหน้าหน้าห น, น้าตัวน่ะถ้าถ้าไม่อ่านกูอานเนี่ยไม่รู้พออ่านกูอานแล้วรัวทันทีเรื่องที่สมนะครับไวลูลิลหมตฟีฟีความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่ค้าขายอ่ะช่างไม่เต็ม ตัวไม่เต็มจะเอาจากเขาเนี่ยเต็มพอะจะให้เขาเนี่ขาดเล็กๆในนอนฉันเนี่ยโอ้โ ห, โโหสมองชั้นหนึ่งเลยใครบอกเอาล่อให้รวยก่อนตอนนี้รวยเพราะการภูมิเขา้ามาคนละสองขีดสามขีดเอาล่อมาสักร้อยคนโอ้โหได้ตั้งหลายสิบกิโลภูมิใจที่ไหนได้ในคุณอ่านอธิบายไว้เองจะพบกับความบวิบัติ เองจะพบกับความหายนะโดยการโกงตาช่างหลอกแค่โกงตาช่างก็หล อ, อยังยังไม่ยอมเด้ออย่างกับอตอมอีเรื่องหนึ่งไวรุลิกลิฮูมาเตินลูมายาที่เราท่องทำกันอยู่นะ่ะนั่นแหละความวิบัติกะเกิดขึ้นกับคนที่นินทาคนว่าคนใส่ร้ายคนมีเปล่าบางที่แขกมาบ้านพอแขกรุกขึ้นกับ ด่ามินทาแขกอีกโอ้โหเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าทํำไปน้องนั่งเฉยๆอย่าทำไปนี่แหละอีกเรื่องหนึ่งสวรยคลุ ล, ลิลมุส ล, ลินัลล่ละีนับหุมอัลอลาดที่หิมซาหูไหนวะนั่นงไหวลุ้เหมือนกันเพื่อว่าความวิบัติกับคนที่นมาดเพื่อการโอ้อวดนี่ต้องการจะอธิบายว่าคนมูนาฟิกนะ่ะพวกหน้าไหวแล้วมาหลอกมาอยู่กับท่านนาบีนะทําตัวแบบนี้แหละ อัลลอฮฺเลยเตือนมุมินอย่าทําให้ทําทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮให้หมเลยทำเลยเลยมาฟังคำสิ่งตัวอ่านเพื่ออัลลอฮฺฟังอะไรก็อะไรก็ตามแต่ทำเพื่ออัลลอฮฺให้หมดอย่าทำเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่ออย่าทำาะเพื่ออัลลอฮฺหมดเลยอย่าไว้เลยนะความบิบัติแก่เราเอ่ยฮะกะ นี่ประโยคที่สองนี่นะนี่มลายิกะพูด <c oughs> หรือพูดศรัทธาต่ออัลล์ในวันเกียรมาเนี่ยจะพูดคำนี้ฮ า, ายามุดีนี่เป็นวันตอบแทนนี่เป็นภาษาของมลายิกะพูดใส่หูคนกาเฟีิปฏิเสธว่ากูยแย่แล้ว ก็มีเสียงออกมาอาจจะเป็นมุมินอาจจะเป็นมาไลกามีความหมายเดีสยสองอย่างพูดว่างไงนะเอ็งรู้เปล่าเนี่มันวันกิยามาแล้วนี่ยเปวันตอบแทนแล้วยาวมุดดีมาถึงวันตอบแทนในสุราฟาติฮามีใช่ไหมมาลีกิยาวมิดดีนีน่แหละมุดดีมิดดีนดด น, นี่แปลว่าวันตอบแทนวันตอบแทน คนทําดีได้ได้รางวัลตอบแทนเป็นของดีๆคนที่ทําชั่วชั่วคิดชั่วช่วอะไรก็แบกปบกิเสธอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเลยนะเขาเจะได้รางวัลแบบชั่วชั่วเป็นการตอบแทนมากลืนะนิรุสวรรค์แล้ววันนั้นจะทำได้หรือเปล่าพี่นะ้องฮาจยายูมุดีดนนี่เป็นเสียงของใครนะเสียงของมล า, ายิกาเนี่ยอุลมะตัฟซึกอธิบายนะหรือเป็นเสียงของผู้ศรัทธาต่อหลอ ตอบบอกว่าาระยาอุดดีนนี่เป็นวันตอบแทนนี่เป็นวันตัดสินความดีกับความชัว่วรู้ปะเองไม่เชื่อใช่ไหมบางทีเราก็อยู่อยู่คนกาเฟ่โ ด, ดยกันใช่ไหมสอนเมื่อกีเที่ยวมันก็นดาก่าเฮไอ้แขกอย่ามาพูดอะไรเยอะแยะเลยพวกก่อการร่ายโอนโลใส่หูตลอดแล้วก็ถูกตำหนิตลอดเลยนะแหละต่อมาครับ อายาที่ย <sneaking> ี่สิบเอ็ดฮาลาลยามุลฟาซลฮาลาลยามุลฟาซลที่คุณตุ้มบีทุกข์กระด ตุนตุมบิฮิตุกันดีบุนอัลลอฮฺอักบัถะญานี้ชัดแจ้งเลยมาเลย์จ่ า, าพูดหรือคนมุสลิมพูดพูดว่าไงนะฮาจานี่คือยาว์มุลฟอสลีวันแห่งการตัดสินที่เอง็งปฏิเสธเอาไว้นะ่ะท้า น, น่ะบอกคุณกี่ครัง้งเลยกี่ครัง้งแล้ว วันเกิดมามีจริงนะทุกคนตายแล้วต้องฟื้นนะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ฉันไม่เชื่อแล้วในวันนี้เป็นไงเาราะเกิด ม, มาจริงๆรินนี้เป็นเวลาของมุสลิมพูดคนมุสลิมพูดละมาเลกล้าพูดละฮะดายาหมุาดายาหมุดฟัสลี่มันอยู่สองคำนะอายาที่ผ่านมาฮะดายาหมุดดี กับฮาลายามุลฟสลีแปลเหมือนกันชายามุลฟสลีแปลว่าวันแห่งการตัดสินชายามุ ด, ดีนวันแห่งการตอบแทนอรหุอัปบัตอัลลอฮซึ่งกุนตุมสู่เจ้าทั้งหลายบีฮีตุกัสเดบูลไม่เชื่อ ปฏิเสธถูกัดริบบ ว, ว่าปฏิเสธหรือไม่เชื่อวันที่ตัดสินของอัลลอฮ์ซึ่งพวกท่านเนี่ยเคยปฏิเสธไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วใช่หรือไม่ใ ช, ใช่แน่นอนครับแล้วก็ยาไวยะนานเนี่ยยอมรับตัวเองคือแย่แล้วยอมทำไมอ่ะเอกดันสิดันต่อไปสิดันไม่ไหว พรามันเห็นด้วยตาจริงๆนะ่ะฟื้นขึ้นมาก็ฟื้นจริงอ๋อเราฟื้นกันหมดเลยเห็นด้วยภาพหมดเลยเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนี่สอนให้พวราเ น, นี่นึกถึงวันเกียมาเยอะๆฉะนั้นะโลกดุนยาใบนี้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวนะที่ให้เราเนี่ยอยู่ตัวอยู่บนดุนยาแต่ใจให้นึกถึงโลก อาคือเราเยอะเยอะเห็นอย่างครับเนี่ยนึกถึงภาพเดี๋ยวร่อนเล่าผ่านกบีกุราเนี่ยแล้วก็เล่าภาพคนกาเฟตว่าอย่างนั้นพูดอย่างนี้ อ, อัลลอฮฺอัลเบตเราต้องนึกเยอะเยอะจากนั้นนมาต้องไม่ขาดเพราะมันเป็นอะไรนะเพราะมันเป็นอามันติซอลเองขอ้าจับ ก, กูโบแล้วพอตายไปฝังไงคนมุมมิงกับคนกาเฟตเนี่ยพูดแบบเหมือนกันเลยนะ คนกาเฟ่พูดยังไงรูอเปล่ารูปลมายาวดุลลาีนักฟรูแล้ลวกนันมุสลิมอัลลอ์จะถ้าฉันเป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีอเอ้า เ, เอ็งกวจะบุญเมียเอ็งดามุสินไมใช่เปยังไม่อยากจะเป็นมุสลิมอยากทำไมอ่ะเพราะเห็นการลงโทษทุกวันทุคันทุวั น, ท, วนทุวันอ่ะก็อยากจะเป็นมุสลิมเนี่ย เพราะว่ามันไม่อยู่ทางเดียวถ้าเป็นมุสลิมอาลอดหมดเลยอ่ะถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อรอดเอารอดหมดไปบนที่ไหนในกุโบไม่รู้ว่าวันละกี่แสนครัง้งกี่ร้อยครัง้งแล้วอีกเรื่องหนึ่งตอนถูกถามในกุโบมาหลายครังมาถามใช่ไหมรู้จักอลัลลอฮ์ไหมรู้จักนบีไหมรู้จักกุรอานไหมคนกาเฟต่ตอบว่าไงลาอัลอดรีฉันไม่รู้ แล้วก็พี่น้องได้ยินด้วยเปล่าเราวันละชันไม่รู้น่ะมาเลกาทําไงมไม่ม้าใช่ไหมอ่ะมีมีคอนใช่ไหมน่ะซัดไปตรงไหนอ่ะในระหว่างสองใบหูก็ น, นึกภาพเองไปแล้วกันน่ะกาตีข้างหน้าเป็นไงแต่วมื่อตีข้างหลังมันจะตีด้านไหนก็ตามโอโลอากัะบะปวดตรงั่ละ่ะกระล่มอโลอยากจะเป็นมุสลิมจังเนื้ออโลชา ให้ไหมไม่ให้อายุเอง70สิปี80สิปีเอาเวลาอายุคุณไปคิดเลือกอะไรเห็นยังท่าคนคิดจริงลกูกอาคีร้อนเยอะๆน ม, มาต้องมีการอ่านคูอ่านาสม่ำเสมอบริจาคสม่ำเสมอให้อภัยคนสม่ำเสมอเพราะเรามีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮอยู่แล้วจะกลัวอะไรล่ะครับ แล้วก็อีกอย่างห น, คนคึ่งคุกาแฟพูดในกูโบลาติมิสลาอย่าให้เกิดวันสิ้นโลกขนาดนอนอยู่ในกูโบเนี่ยหนักอยู่แล้วจะเจอวันสิ้นโลกตายจริงแต่มุมินพูดอีกอย่างหนึ่งมุมินพูดอย่างนี้อาคิมิสลาอัลลอฮ จ, จะให้มีวันเกียมั่งไว้ๆฉันจะได้รับรางวัลของฉันที่ฉันนำมาคั่วผาเวลาอ่านคุณอ่านสิกรุลลอ ฉันทำงานศาสนาสอนคนเตือนคนอยากได้รางวัล น, น่ะแต่โมเมนต์จะพูดยังไง ร, รู้ไหมกอดดีมูนีนี่ตอนตอนตอนตอนแบกนะรีบพากันไปไวๆไปไหนไปกบฏนี่พูดยามไปยามมาพูดให้เราได้ยีนมานต่อนลอบมันเพิ่มขึ้นและพูดอีกว่าจะบิมารอฟาร์รีนี่คุณอ่านสุภาสินใช่ไหม บีมาโราฟาด ล, ลีโร บ, บีวาญาณีมินัลมุคลมินนนี่เป็นภาษาของคนมุสลิมที่นอนอยู่ในกูโบเป็นห่วงคนยังไม่ตายอัลลอฮจะฉันอยากจะให้ฉันเนี่ยฟื้นขึ้นมากลับไปบอกที่บ้านกลับไปบอกญาติน้องฉันที่เขาด่าอิสลามที่เขาแอนที่อิสลามที่เขาฆ่า ah ฉันจนถ้าฉันตายเนี่ยนะ ฉันนไปสวรรค์แล้วอัลลอฮ์อภัยโทษฉันหมดแล้วอัลลอฮ์ให้ขึ้นไหมเองนอนสบายๆไปเถอะหน้าที่ของนบีมุฮัมมัดไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะเอาคนตายขึ้นมามาบอกว่าหลังจากตายมีการลงโทษจริงไม่ใช่หน้าที่ท่านมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หลังตายจริงท่านนอนสบายๆก็แล้วกันเดี๋ยวคนนบีจะสอนเองบรรดาซาวาบาจะสอนเอง แล้วก็คนที่เป็นอาเลมอุลามะจะสอนแทนคุณอยู่คุณนอนสบายสบายกันลวกันนี่เป็นภาษาของพูดตายแล้วก็มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะบูฮันละนี่คุรานอธิบายกุรานขึ้นกันลวกันฮายาอูมุลฟัสลนี่คือวันแห่งการตัดสินพูดตอบหูคนกาเฟตนั้นละที่ทุ่มมาชัด น, นันะคน้อง อันละสิุนทุมบิหิตุกันสิบูนเสื่งสูเจ้าได้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกคุณปฏิเสธมันว่าไม่จริงมีไม่จริงเกิดไม่จริงเอ็มโกหกหลอกลวงส้องการจะอธิบายว่าของที่นบีมัด น, นำมาหรอโกหกทั้งหมดแล้วโกหกเปล่ามาใช่โกหกเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะั้นของที่นบีพูดด้วน้องครับ เราต้องใส่ใจใส่สมองตลอดเวลาว่าอะไรที่ออกมาจากปากนบะีเป็นเรื่องจริงหมดเลยเป็นเรื่องจริงหมดนะโอ้น บ, บีสอนว่าอาเรื่องเรื่องเรื่องบุกเรานะถ่านอนที่ดีที่สุดท่าไหนผ้าตะแคงขวาใครสอนแล้ววันนี้ชาวโลกยอมรับว่านะ ท่าที่ดีที่สุดเป็นท่านอนตะแคงขวาเริ่มนอนใหม่ๆตะแคงขวาแล้วก็รักษาปากที่ดีที่สุดก็เอาสุนทรนบีมาใชา้อะไรแปลงฟันโดยไม้อะไรไม้มิสวาดี๋ยวนี้คนก็เริ่มเอามิสวามาใชา้ใช้สองอย่างเลยนะแปลงธรรมดากับแปลงมิสวาผมใช้ประจํานั่งถูโอโลัลลอฮฺอะก็ว่าฟัน ดีมากอ่ะร้านจังหักไปแล้วน่เมื่อก่อนยังไม่เข้าใจอล๋อแปลงฟันวันลหลายหลายหลายท า, า, างดดมดีเลยไปดีนี่ปากเราเองมันดีเชื่อโรคไม่มีอ่านฟูอ่านซิฟลลอกคร่องอล็อกวัดว่านี่ผลจากการที่เราแปลงฟันเอาต่อมาครับอีกอีกอายานหนึ่ง ح พ ش รุ่นทَานที่น่า و َัวและภรรยา و َงพวกเ م าจะอยู่อพพ ا ุ่นท ل َนที่น่ากลัวและภรรยาของพวกเขาและไม วละเจ้าขอะคนทียู่่แหละที่เนผู้ะอับผิดนอ่อสิเกนลี่แหล่เน้ะตรื่องเลนะเ่จองริงๆ จ, จะเกิดขึ้นแบบนี้นี่เล่าให้ฟ่้องรอ่อสิ่งที่เกิดในวนันี้ี่แหะทีนะครับผชอบต่อี่เนจนใมโ่แปลว่าอะไรจงรวบรวมพวกเขา นี่สั่งใครแล้วไหมสั่งมาลายกะมนุษย์ที่ฟื้นมาบนในทุ่งมหาชาัดเท่าไหร่ก็ตามนะอัลลอฮ์สั่งมาลายกะจับรวมโอ้ยถึงคำสั่งนะจับรวมใครครับอัลลอฮฺนบีนบีละมูผู้ที่อาธรรมโอ้โหนี่แสดงว่าคนมุมินในอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ไหม แล้วก็คนอาธรรมก็อีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมไม่รวมกันแล้วอุล玛อธิบายดีนะตอนอยู่บนดุงดาเนี่ยรวมกันใช่ไหมออย่างมอบงบอายุทยอยมอบเลยนะกรใจายมารวมหมดแมวราชการชุด น, นี้กับทั้งเหลืองทั้งเหลืองทั้งเหลืองทงัง้ทงแดงเอามาอยู่ด้วยกันหมดนะะแต่นิดๆพอแล้วจะแต่เยอะไปเยอะ ว่าชูรุลนใีนกอลาโูจะมีภาพดัรัดนี่อัลลอฮ์สั่งกับม a l a i ก a ะนะบอกว่าไงนะจงรวบรวมบรรดาผู้อาธรรมเป็นเป็นกลุ่มเลยนะต้อนแบบหนากัะ น, นึกภาพเลเราเคยเลี่ยมควายในชะ่ไหมตัวไหนเดือเดอก็ถูกกะได้ถูกฟาดปับเห็นไหมแต่วันนั้นคง คงเห็นหมดแล้วนะอัลลอ์ลเราจะสั่งอะไรทาหมดเลยนี่อัลลอฮ์สั่งมลิกาอัชซุรุลละดีนอลาูจะมีพาะดํารัดนะครับมีถ้อยคำแก่มลกิกาว่าจงรวบรวมบรรดาผู้อาธรรมทั้งหมดอลอเห็ น, นะตั้งแต่นบีอาดามมาเนี่ยเท่าไรล่ะนึกภาพอ ตอนยังก็คว้าเอานะรอโทษโทษควาฟนแรงบัณดาที่ต่อต้านนี่อุลมะอธิบายดีนะยอลำยอเล็มเนี่ยมาจึงคนที่ต่อต้านราซุนตอนอยู่บนบุญยาคนที่ขวางซุนนะนบีตอนอยู่บนบุญยาตอนคนเหล่านี้มารวมกันให้หมดใครอะ คนที่ต่อต้านนาบีต่อต้านอิสลามต่อต้านอัลกุรอานที่เผาอัลกุรอานอัลลอฮ์ที่ เ, ลลเ ข, ขีนฆ่าพี่น้องมุสลิมที่วางแผนทำลายมุสลิมจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามจับรวมไม่หมดล้ใครอีกวะอัจวะจามุมอัจวะเนี่ยศัพท์เดิมแปลว่าภรรยาศัพท์เดิมเนี่ยแปลว่านะภรรยาของเขา แต่ตรงนี้อธิบายยังไงคู่นอนของเขาที่ไม่ใดนก้ก็หนักมากเองที่ทำศิลนาเอาไว้อะที่โรงแรมไหนก็ตามอะไปจับไมใ ห, หมดไปพาผู้หญิงมาด้วยคู่นอนเขาน่ะกีะน้องเห็นภาพยังอ่ะเรานึกว่าเราเนี่ยวนอนกับผู้หญิงมาต้องมาต้องผ่านศนา เห็นหน้าเห็นตาเอาซื้อรถไทครนหนึ่งบ้านหนึ่งหลังอ่ะมันจะน้าให้ถูงกล้องตามหลักจะเอารอวางไวน้ะนะนะไปเรียกมามาเลยก็ไปตามมันมาลราค้าอีกนี่ไัยนาโอมาต์อธิบายคนที่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันไปตามให้หมดอยู่บนโต๊ะโต๊ะอาหารเดียวกันอ่ะเราจะสมาตจน เป็นนักเรียนตอนอยู่โรงงานยาสูบแตแต่โรงงานยาสูบนี่ยังไงตอนอยู่ในกระทรวงนั่นกระทรวงเนี่ออลล้อมไปเรียกไมห้หมดคนที่กินเหล้าอยู่ด้วยกันทําสินาอยู่ด้วยกันคนที่เก็บดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยไปเรียกไมห้หมดเห็นยังคนรอเลมมีสามกลุ่มยิ่งใหญ่นะั้นหนึ่งคนที่ทําสินางสองคนที่กินดอกเบีย้ย สามคนที่ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าดุกกัญชาเฮโ ร, รอีนนางคงน้ำท่อมถ้าไม่ตาบ้าตัวก่อนตาจับรวไม่หมดเลยนาลล่าวสุดดิล้กลัวมั้งเหรอ <c oughs> นี่ไม่ได้สามมุมินนะสามคนกคนเลเป็นคนร้อเรีมอัลลอไปเอาคู่นอนมาด้วยเอาคนที่กินเหล้าอยู่ด้วยกันมาให้หมดแล้วก็คนที่ เก็บตงเบี <würden ancia> ้ย <Ox> อ <ide> ัลลออบัรวมมาถึงพนักงานธนาคารอนึกเยอะๆอลลออบัจะอยู่ยังไงบนดาเนี่สง่างามเรียนอิสลามดิเรียน้อ่านเรียนสุนนะนบีสิจะได้พัฒนาตัวเองจะได้ปกป้องตัวเองอ่ะครั้งที่แล้วจำได้ไหมไซนาอุมาดบอกว่าคนที่มีตักวาเนี่ย อย่ามองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นน่นทำไมสอนอย่างนี้ล่ะเพราะว่ามองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นเป็นความดีหรือความเลวเป็นความไม่ดีในอิสลามสอนให้ยังครับว่าท่านอยู่แบบถ่อมตนดีไหมอะลอละกบัดได้ยินเสียงอาซานบีทําเป็นแบบไว้ถึงยงอิชาเล่าเองนะนบีน่ะได้ยินเสียงอาซานะไม่รู้จักฉันเลยอ่ะ ทำตัวไม่รู้จักเธนเลยเป็นห่วงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นห่วงมัสยิดอัลลอฮ์แล้วเราเนี่ยย้ำนั่งคุยก่อนคุยก่อนคนที่เรียนซุน่านาบูติจึงต้องต้องระวังตัวตลอดเลลวลาว่าเราเนี่ควรจะทําตัวยังไงให้เป็นที่พืนพอใจเพราะเราขอมออาอย่างนี้อินนัสซลาตีใช่ไหม วานุสูกีว่ามหยายาว่ามามาติลิลลัฮิรอบบินอลมีขอดีไหมขอจุดวาตามนาบีผูมัสอนเลยแค่จริงการนะมาดของฉันทำแล้วอัลลอ์ต้องพอใจวานุสูกีการเสียสละการบริจาค ก, การทำบุญการให้อะไรก็ตามแต่ทำแล้วอัลลอ์ต้องพอใจว่ามยายาการมีชีวิตหนวันยี่ส่ชัว่วโมง อยู่บนบุญยาไปนี้ทําแล้วอลัลลอฮ์ต้องพอใจว่ามามาตีตอนตายอาลัลลอฮ์ก็พอใจเสรีการเราอิสระเลยไม่ใช่อิสระอลัลลอฮ์จะกินน้ําต้องนึกถึงสุนนะนบีจะนอนนึกถึงสุนนะนบีแขกมาบ้านต้องนึกถึงสุนนะนบีทำยังไงนบีทำงานต้องนึกอยู่กับพรรยาอยู่ยังไงให้อลัลลอฮ์พอใจอ่ะ เวาลาทะเลากันเนี่ยนบีสั่ไห้ใครเงียบก่อนเอาสามใคายสางสามีให้เงียบก่อนเองเงียบก่อนเนี่ยเอาล็อคสม บ, บัติปนบีอยู่ในครอบครัวต้องอยู่แบบนี้ไม่ใช่เอาอารมณ์ดา่าคนั้นด่าคนี่เอารูปแบบของใครมาใชา้พอไปเจอวันเจียมากกา็สะดุ้งอ่ะอ๋อโล่เนี่ยเอาล็อคิดบัญชีหมดเลยเลยเนี่ยเรื่องเล็กเรื่องน้อย แครเรียกรวมกับตัวสาลแล้วอาาวอวะซุรุลลาีนอาละมูวะอัวาจุมใชไหมอัลลอฮ์เนี่ยกูอ่านอายาเดียวนะ่ะรวมคนเท่าไหร่เนี่ยเหน็นยังแล้วใครอีกวะม า, <Y ak bud un> ากานูยาบูดูยาบูดูแปลว่าที่พวกเขาเขารบ มาแปลว่าสิ่งที่กาูพวกเขาเคยยาบูดูกราบไหว้หรือพักดีหรือเคารพตอนอยู่บนดุลยาเอา้าคนกาเฟตเคารพ อ, อะไรไปเรียกมันมาให้หมดเอารูปจเจวิตที่มันกราบเนะอามาด้วยผังไหมอะศักดิ์ศรีฉันเนี่ยศักดิ์ศรีนะฉันเนี่ยโอ้โหตำแหน่งดุ่นแรงนี้ฉัน ต้องรักษาตำแหนง่งนะว่าเรียกตำแหน่งมากนึกภาพมากันหมดอ้าวช่วยสิเจวีช่วยสิยยสตำแหน่งช่วยสิเงินจะให้ไว้กี่รอยลาะกี่เปอรเอาช่วยซะช่วยได้ปะแค่ก็ผมอ่านเรื่องผมอ่านผมอ่านเรื่องเงินนะ่ะ ยมันนี่เนี่ยมันนี่ว่าถ้าฉันพูดได้นะนี่เอารอบไม่ให้เงินพูดไม่ให้กระดาษเนี่ยไม่ให้พูดนะถ้าพูดได้จะพูดอย่างงี้อยากเก็บเงินเยอะเลยคุณเองจะชิพายคนเองจะพิน้าศนะแล้วก็แปลงนะคนตอนจนๆวางตัวอย่างหนึ่งนะพอมีเงินเยอะเนี่ยวางตัวอีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าส่วนยยใหญ่เนื้อวางตัวดีหรือไม่ดีส่วนใหญ่เนี่ยวันละเงินเยอะนื้วางตัวเป็นไงหนึ่งขี้เหนียวร่ ก, กายก็ไม่ายไม่ช่วยใครด้วยนึกว่ารอดเหรอไม่รอดถ้าทําไม่ถูกต้องตามที่คุณอ่านอธิบายในการพิพิคุณอ่านไว้คิดท่านดบี ม, มาสอนเนี่ยไม่รอดสักคนเป็นแขกเหมือนกันมุสลิมไปเหมือนกันมันต้องต้องพยายาม เรื่องเงินทองทองเนาะรอมันเรื่องใหญ่มแลรวทดสอบมานี่ให้เพื่อการทดสอบยังไม่ได้ให้รางวัลตอบแทนใครเลยยังวันกิยามาต่างหากที่เราจะตอบแทนนะเข้าใจนะอัลชาลีนอลลอฮ์ละมูวะอัลวาเจฮุมจะมีพาดดัรัดแก่มไลกาว่าจงรวบรวมผดาผู้อาธรรมอัลลอฮอักบะด แล้วใครอีกว่าอสุวายาหุมแปลว่าคู่ที่เขาทำสินาพวกที่เขากินดอกเบี้ยอยู่ด้วยกันพวกที่ดื่มของมึนเมาอยู่ด้วยกันจับรวมให้หมดคนกลุ่มนี้แล้วก็อีกอีกวรกหนึ่งว่ามาการูยาบูดูและยังไม่พอนะที่พวกเขาเคารพพักดีต่เอาต้ตะเกียมาเอาต้ระยองมา ไปเอาหมอดูมาที่ไปขอข อ, ขอเขาไว้แหละเป็นยังไงอะ่ะแต่พามาให้หมดหนักไหมอธิบายเนี่เป็นชั่วโมงอลัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นนี่อาจจะตัดสุดอบนุกะสุดอธิบายดีนะอัลลอฮฺอักบัรรูปจเจวีตที่เขาเขารับบูชาอื่นจากเอาลอดทั้งหมดนี่นะไปพามาให้หมดหน่าแตกเมื่อ้วร่วันนั้นอะ่ะ เอาล่ะวันนั้นเห็นสัจธรรมจริงๆเลยพาได้ไมั้ยนึกภาพเองไปแล้วกันเอาต่อมาครับอายาที่ยี่สิมินดูนิลลาฟะดูฮุมลิลาซิรอติลจัยมมินดูนิลลาฟะดูฮุม <im> <du hi> <la> อิลลัซีรอติลยาฮิมอัลลอฮุอะลลอฮ์มินดลิลลาอูจากอัลลอ์อย่าวันละนะอื่นจากอัลลอ์ที่คุณบูชาอื่นจากอัลลอ์ทั้งหมดนะอฏิบัติได้ตัวตะเกียตอระยองหมอดูหมอผีอะไรจระเขตาที่เราเคยทำบนดุนญยญาทำดัดผิดๆมาเนี่ยนะเพิ่งรู้ว่าผิด ต, ตอนนั้นหลังจากฟื้นจากกุงโบแล้ว วดูมอลัลล์ดังนั้นจงนำพวกเขาอลัลลอฮ์ักนี่มลายกาหนะอาอัลลอ์ส่งมลายกานำพวกเขาไป <c oughs> นํำไปไหนอิลาสูซิโรตว่าทางทางทางเดินเนี่ยนะทางไปไหนกับยาฮิมไปไห น, ไ ป, ไ, หนไปนรก ตัวโลกมันมีทางสองทางนะทางไปสวรรค์กับทางไปนรกไปสวรรค์ด้านนีมาาม้มัลลิกาพาบุนเดินไปเป็นแถวเลยไปสวรรค์ไอ้ด้านนี้เพราะเองไม่อีมานต่ออัลลอ์ไม่ชุกรตต่ออัลลอ์ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ด่าอัลกุรอานด่าตันนบีด่าสุนัขนบีขานเข็นข้าเป็นว่ามุสลิมมาทางนี้ชีน้ำมันพาไปหรือว่า คือว่าพาไปก็ได้หรือชี้นำหรือบอกทางไปทางดีทาไปไหนทามไปนรกนรกมีจริงครับแล้วก็นรกในแปลกเนะเวลาเห็นโคนกาแฟเนี่ยมันร้องม ม, มากไปว่าไว้าสวรรค์ก็มการเห็นฝนมุ่งมิมนเชิเชิญเชิผู้จารพานรกเนี่ย เสียงน้ำเดือดหนึข้าได้ยินกับตัวสันแล้วนงาซบิลาขอให้พวกเรานะหันมาเรียนสนาสนากันเยอะๆดีกว่านะทำเลื่องมเข้าจจอิสลามแล้วก็ประครับประคองตัวเองให้ดีอั <Allah Akbar. S 1> ลลออัลลบตรองว่านารกมีไหมมีครับในตัฟซีตอธิบายว่าฟะดูหุ้มเนี่ยจงนำพวกเขาเนี่ยอธิบายอย่างนี้ จงชี้นาทางที่ทําให้พวกเขาไปสองหรือไปกับพวกเขาเองเลยเพราะว่าสายตอนมีใช่ไหมล่ะมาลายกามีใช่ไหมกับทุกคนพาไปเลยนะแล้วก็ต่อมาครับฟาดดาหุ้มจงเรียกเขามาทั้งนี้มาทั้งนี้อ่าอย่างนี้เป็นต้นตกลงว่าฟาดดูหุ้มนะแต่ว่าจงชี้นาทางไปไหนไปนรกต่อมาครับ ยาทยี่สิบสีว่ากต่ฟูอมอินนั่หมมาสูลูนว่กี่ฟูอมอินนั่หมมาสูลูนว่ากฟ้ายากฟูว่กฟูแปลว่าจมให้พวกเขายืนหยุดเฉยๆพอชื่อทางน้ำไปนะเดินไปสักพักหนึ่ง ยุดให้หมดแตกไหมนี่เล่าภาพไม่ฟังอะ่ะเองไปนรกแน่พอเดินไปเดินไปสั่งให้ยุดเยือนหยุดตรงนี้ึกภาพถูกต้อนแล้วยังไม่พอชี้ทางไปนรกแล้วเดินไม่ได้น้อยนึงยุดจงจับให้เขายุดทั้งหมด หยุดทำไมอินนาหุมสอูลูนแท้จริงพวกขาวจะต้องถูกสอบสวนเห็นไหมพี่น้องถูกสอบนักหน้าสั่งให้เดินไปหรือพาไปทงนี้ทงไปนรกเดินไปกำลังเพลิดเพลินยุดฉันจะสอบเองะ นี่ภาพนี่น้องครับภาพของชาวนารกนะ่ะก่อนเข้านารกถูกทรมานขนานไหนก็นเนพะื Akbar. ่อน้องอัลลอฮฺละเบิดก็จะถามอะไรรู้ไหมถามสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเอ็งทำอะไรไว้บนโลกดุนยาข้อที่สองเอ็งพูดอะไรไว้บนโลกดุนยาที่ดาอิสลามนะ่ะคุณจะสอบกันแล้วนี่ดาว่าไงจำหมดเลยนะ่ะโอ้ เองทําอะไรไว้อะนึกภาพออกหมดเลยสองเรื่องที่ต้งถามหนึ่งเองพูดอะไรไว้สองเองปฏิบัติอะไรไว้เห็นไหมมาถึงนบีนะที่ถูกที่ถูกว้างแต่ว่าถึงเบงตออิฟนะ น, นั่นอาจจะย์พยาโทษค <c oughs> นนบีวา่าอัลลอฮฺจะอาภัยจโทษเขาเพวกเขาเถอเพราะพวกเขาไม่รู้อกลุ่มนั้นอาจจะ อัลลอฮฺอภัยโทษให้แล้วก็เด็กปัจจุบันนี้เมืองตออิบน่ะเขาส่งลูกหลานเรียนศาสนากันแล้วก็เด็กปัจจุบันนี้ขออนุญาตอัลลอฮฺอลัลลอฮฺจะอย่าลงโทษปู่ย่าตายายฉันที่เอาหินขว้างนาบีที่ดา น, นาบีอย่าลงโทษเขาเลยแล้วพวกเราวันนี้น่ะเด็กรุ่นใหม่ีนขออนุาให้กับหมู่บ้านตัวเองหรือเปล่าละ่ะพอมื่ก่อนหมู่บ้านนี้สุนหะเข้าไม่ได้อะวันนี้สุนหขเข้ามาได้แล้วใช่ไหม มันต้องขออาให้ปู่ย่าตายายเราที่โหยขวางสุนัขนาดูเลยไม่ให้เข้าขวางคนนั้นขวางคนนี้เองมีสิทธิ์ขวางเขอะ เ, เองมีสิทธิ์นั่งฟังเขาอย่างเดียวหรือบรรยายนะว่าตำเลือเองนี่งานก็ไม่ทำํำวางแผนอย่าให้กลุ่มนี้เข้าอยาให้กลุ่มนี้เข้าเองมีสิทธิ์อะไรอะ่ะอย่างนี้เป็นตัวเะีย่าถุริแตะเยอะนะเพอแตะแล้วมันกระเทือนนะนะมันยิ่งเนต้นตัวองว่า ว่กีฟูฮุมจงหยุดพวกเขาไว้อินนหุมมัสููลูนและพวกเขาจะต้องถูกสอบสวนลองสอบกี่เรื่องกระตับสิทธิ์อธิบายดีนะหนึ่งอันอามาลิหิมการงานของพวกเขาอวะอกวาลิหิมดักคำพูดของพวกเขาที่ต่อต้านอัลลอฮ์ต่อต้านมุฮัมมัดต่อต้านสุนนะต่อต้านคุราน ผู้สอบหเลยน้องทีนี้คนที่ต่อต้านคนนะ่ะอิทธิพลอะไรคนที่ต่อต้านอิสลามนะ่ะเพราะอิทธิพลไ่ปอนไซ้อนตัวที่มันขึ้นไปข้างบนนั่นแหละขึ้นไปฟังอะไรไๆเนะี่ยอัลลอฮ์ก็ให้มารายการไล่ามาให้อะไรนะให้ดวงดาวไล่ามานะตัวนี้แหละมันกนลงมาหากับกับมนุษย์นี่แหละ อย่าไปเชื่ออัหรอกอย่าไปเชื่อมูฮัมมัดโกหกโซนานนดบิไม่ใช่คิดเองทำเองอ่านี่เราะมันมากวนเลยนะเอาต่อมาครับอายาที่25มาละกุมละตานามาละกุมละตานาโซลูนมาละกุม ลาตาาสรุนมีคำถามถามระหว่างที่สอบสอบจะมีคำถามถามบาาอกว่าอะไรมาแปลว่าอะไรละกุ้มมีอะไรแจกสูญเจ้าละที่สู่เจ้าลาตาาสรุนต่างคนต่างไม่ช่วยเหลือกันนี่ถามอะไรนะมักตอนอยู่บนดุนยาเองนั่งคุยกับ นั่งกินดอกเบี้ยด้วยกันใช่ไหมแล้วก็กินเหล้าด้วยกันใช่ไหมแล้วก็นอนกับผู้หญิงที่ไม่ได้ผ่านการแต่งงานใช่ไหมทําไมไม่ช่วยก็ล่ะเอาช่วยกันสิไปไหมหนาแตกไหมอ๋อเอาอาซิมัดแขวนคอเอาอาซิมัตช่วยสิก็เองเชื่อว่าอาซิมัดจะช่วยได้นะเอาช่วยซะตอนนี้จะตกนรกแล้ว ป้องกันไม่ให้ตกนรกทำไงเอาตัวตะเกียบมาเอาช่วยเอาตัวระยองมาเอาหมอดูมาเอาช่วยซิค่นอนคุณ น, อ, นณอยู่ที่ไหนช่วยซะหน้าแตกไหมนหนาอุสุริยาฮีโนะอัลลอฮหรราบานมาละกุมดาตะนาฟรนจะมีคำถามถามว่าเป็นอะไรไปแก่สูงเจ้าแล้ว ที่สูเจ้าตามไม่ช่วยเหลือกันตอนอยู่บนดุญญานะช่วยกันจังเลยนะเป็นพักการเมืองพักเดียวกันก็ดูแลกันช่วยวเอาวันนี้ช่วยซะไปเรียกหัวหน้าพักมาเลยใครก็าตามแต่อามา่เาเช่วยซะมาแตกหนะ้าอยู่บนดุญญาเนะี่ยช่วยกันจังเลยนะเพราะไม่ได้ช่วยในนามอิสลามเดียวพังหมดเลยครับพี่น้อง อัลอาคิลลายาอมะอิริบาดุฮุมลิบาอิริอดุใครที่ช่วยเหลือกันดูแลกันปกป้องกันอะไรกันบนบุญญานี้นะถ้าไม่ได้ทำในนามอนะัลลอฮ์นะกลายเป็นศัตรูกันหมดเลยครับนี่คุณอ่านอนะธิบายชัดเจนครับอี่ย้องต่อมาครับในบทั f s i ภาษาอุดูนะหนูมจมี อ, อมุหมดท a f s i ตอนอยู่บนบุ ญ, ญาเราช่วยกันจังเลย พอไปว่าแล้วคืเราหมดสิทธิ์ช่วยแล้วอรรรดไม่ให้ช่วยแล้วเห็นยังเนี่ยอรรรดเมตานะเมตตาคนกาฟเฟตขนาหไหนให้ช่วยเหลือกันด้านการเงินการพอรเลื่อนตําแหน่งคนนี้เลื่อนคนนั้นเอาเงินมาใช่ไหมเอ้าช่วยสิวันเกียร ม, มาช่วยสิ อ, อรรรดอย่าไปแตะเยอะกระเทือน26นะครับบาลฮูมุลยาอุมามุส แตสลิมุลบัลฮุมุลย า, ม, ามุสลิมูนบัลแต่ว่าฮุมุลยามพวกเขาวันนี้มุสลิมุนเป็นผู้นอบน้อมโดยสิ้เนเชิงแล้วทำไมล้อนล่ามใฟังมายอมรับ มานอบนอ้อมเอานิสัยมุสลิมมาชชยเอานิสัยมุมินมาชชยหลังจากฟื้นขึ้นจากหลุมฝังศพช่วยได้ไหมนี่คำถามนอบนอ้อมคือไอ้นอบนอ้อมนะมุมินเราทำบุญดุลยาใช่ไหมได้ยินเสียงอาญาเราเดินไปมัสยิดอตอกตอกตอกเดินไปเลยพี่น้องให้อภัยกับคนมีเงินบริจาคทาบุญอัลลอ์ให้ทุกข์ใหดารับ ฉันฮกฉัให้อภัยไอมารยาทแบบนั้นน่ะคนกาเฟตคงจะเอาไปใช้ในโลกอาคริร้ออัลลอฮ์ ร, รับไหมไม่รับอันอยงไปนงเนาะอัลลอฮ์เล่าเองนะวันนี้พวกเขาเหล่านั้นน่ะต้องการจะเป็นผู้เทใจนะนอ บ, น, อ บ, น, อบอน้อมถ่อมตนแล้วมีประโยชน์เปล่ามันหมดเวลานอ บ, น, อ บ, น, อบอน้อมถ่อมตนแล้วเวลานอ บ, น, อบอน้อมถ่อมตนต้องอยู่บนโลกดุลย่า ไม่ช่โลกอาคราเนี่ยเข้าใจผิด <c oughs> นะอัลลอฮฺเป็น้องค์เทพท่า น, นการนอบ น, น้อมถ่อมตนต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เร็ววันนี้เลยมุสลิมเป็นอะไรนะพูดนอบ น, น้อมมุส <c oughs> ตัสลิมูนแปลว่าเป็นพูดนอบ น, น้อมถ่อมตนโดยสิ่นเชิงเ อ, อามาใช้บนดุนยานี้ก่อนท่านบนดุนยาเนี่ยตะการ บ, บทมีไหมมีเย่อหยิ่งจองหองมี พว ก, กาแฟาชายหมดเลยแต่มุสลิมเนี่ยคนที่เข้าใจนะเขาไม่ใช่เขาไม่ชอบทูกดาแบบนบีให้อภัยยิ้มยิ้โ อ, โอัลลอฮ์ความศาสนางามจริงๆคุยเรืงเมียเยอะจินะเอาเงินให้มีภรรยาชายรางวัลเยอะไหมเยอสร้างสเราก็มีรางวัลสั้งมัสยิดกับมีรางวาัลดูแลคนมีรางวัลบท แต่อาเงินในภรรยาชายนี่นะมีรางวัลตอบแทนจากอัลล์เยอะกว่าบริจาอย่างอื่นทั้งหมดอัลลอฮ์อัลเบดอัลตอมากยสบยัสทยวาอบบลบอบุฮุมอลอดยะซาลูน <c oughs> و أ h ب m بعضهم على بعض ي ت س a ل و ن الحمد لله و أ ق a ل า a ปลว่าบางคนอักบลาบางโดห์มอลินอบลาปว่าเข้าหากันเอาหน้าเข้าหากันอบลาปนะ เอาหน้าเข้าหากันอยู่บนดุนยานี่ก็เหมือนกันเอาหน้าเข้าหากันนี่เป็นศาสนาคุยกันกับพ่อกับแม่กับภรรยากับลูกๆนั่งมองหน้ากันนี่เป็นศาสนาทั้งหมดในวันเกียรตมบางคนในหมู่พวกเขาบาอุาดหุมอลาบาเบนแต่ว่าบางคนในหมู่พวกเขา เข้ามาหากันอาหารหน้าเข้ามาหากันมาทํำอะไรยากจะสรุนต่างไตาถามกันไม่ใช่ถามธรรมดานะด่ากัน <c oughs> ตําหนิกันเองต่อว่ากันเองที่ราอานมาแล้วจะมาผ่านมาแล้วนะลูกน้องจะดา่าหัวหน้า เองนี่แหละเป็นตัวการทำให้ฉันตกนรกสามีภรรยากด่ากันในวันนั้นถ้าไม่ได้อยู่กันเพื่ออัลลอไม่จะแต่งงานกันเพื่ออัลลอต่างคนต่างดา่าซึมกันแล้วกันหนักนะพี่น้องนะคนที่อ่อนแอตะกุลอาติ่าพานมาแล้วเนี่ยยัดเดี่ยวบาบูฮุมอิลาเบาดิลกาวสัดทอดกันเอง ด่ากันเองต่างคนต่างดา่าซึมกันและกันลูกน้องก็จะด่าหัวหน้าหัวหน้ากับว่ากูไม่เกี่ยวกับมึงกูไม่รู้เรื่องโอ้โหเนี่ยตัล้องว่าคำว่ายาตศาสาอันไม่ใช่คุยธรรมดานะคุยแบบจะเอาเรื่องกันนะไปสานึกตัวไปเลือกพวกตอนไหนตะวันเพียมนะารอผูพาไปแล้วรอยู่กับมึงกูขาดทุนจริงๆเลยเ เองนมนอันนามไรเร า, าเชื่อหมดไปด่ากันเองในทุ่ง ม, มาชัดนะครับนะอุสบิลลาพี่น้องพระนั้นอยู่บนดุญยานี้สรุปนะอยู่เพื่ออลัลลอ์มีคนอยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดจำพวกนะที่จะอยู่ใต้ร่มเงาอัลลอ์เอะนี่ยเจ็ดจำพวกนะหนึ่งคนพ้นเป็นผู้นําอยามีสองมาตรฐาน ระดับไหนก็ตามตั้งแต่ท็อปสุดของโลกไปน่นองครับมาเล็กสุดนี่พ่อเนาะถ้าเป็นผู้นำคนอย่าทำสองมาตรฐานต้องตัดสินตรงไปตรงมาเรื่องที่สองเยาวชนเด็กๆเนี่ยอบรมให้ลูกเนี่ยได้พักดีต่ออัลลอ์ตั้งแต่ยังเล็กๆนะอยู่ใต้สวนสว่างของอัลลอฮ์หมดเลยครับแล้วก็ผู้ชายสองคนที่รักกันเพื่ออัลลอ์ แยกจากกันกว่าูือัลลอฮ์จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์คนที่ลุกขึ้นนำมาตะหัดยุทธคนเดียวละร้องให้นึกถึงอัลลอฮ์จะจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ผู้ชายที่ระวังตัวเองผู้หญิงมาจีบมาให้ท่าต้องการจะชวนไปทำดีนาอินนีอะคอคุณรอฉันกลัวอัลลอฮ์พี่น้องถ้าทําอะไรผิดต้องตะบาตัวนะจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ แล้กคนที่หัวใจของเขาเนี่ยโยงกับอัลลอฮฺเดินมามัสยิดหัวใจติดโยงกับมัสยิด ต, ตลอดเวลาทุกครั้งที่มาลมาดท่านต้องไปนมาดที่มัสยิดอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺ AH อยู่เจ็ดเจ็ด ก, ก่มกุจันแสดงข้อสรุปสั้นๆก็คือว่าอัปบะลาบะอุฮุมอบะลาบะดียะตาซาอูนคนที่รักกันไปนอนกับวันนั้นจะเอาหน้าเข้าหากัน ไม่ใช่คุยธรรมดาแบบยิ้มยิ้มนะด่ากันเองเลยยะตาสาอุแต่ภาษาพอ่อตรงนั้นะยะตาสาอุแบบสนทนากันคุยกันพอฟังตำเสดแล้วไม่ใช่คุยแบบยิ้มยิ้มแล้วคุยแบบอะไรดา่าตนเองอยา่างนี้เป็้นดเวลาบริวชุมวิงนี้นะัะบฮามฮสุลเะะิฮกตะรวัาซัลลัลลอฮ ว, วะลาฮฮัวะลอฮิอัจม